วันนี้ของข้อตอนเย็นอาจจะต่อเนื่องไปได้เรื่อยนะคะหลวงพ่อตั้งว่าไม่เป็นอะไรอ่าใช่เพราะก่อนนี้ได้พูดถึงภพภูมิต่างๆเนาะภพภูมิเช่นเอพวกเปรตพวกเดรัฉานพวกอสุรกายพวกเนี้ยนะพวกเทวดาพวกพรหมรวมถึงมนุษย์นะพวกเนี้ยก็ยังเป็นอยู่ก็คือเนี่ยเป็นเป็ น, ปนอย่างที่ชื่อที่บอกกันนะเป็น<ช>แต่มันมีขั้นสูงสุดคือไม่เป็นพวกนี้นะคะ<ช>แล้วก็ถ้าลองเทียบเนี่ย พวกที่เป็นพวกเปรตพวกเดรัจฉานพวกมนุษย์พวกเทวดาทั้งหลายก็ดีพวกนี้เมื่อตายแล้วเมื่อตายแล้วเนี่ยจะต้องเกิดอีกแล้วก็จะเวียนเป็นวัฏฏะสงสารนะไม่จบไม่สิ้นแต่ถ้าหากว่าปฏิบัติตามหลักของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนอริยมรรคมีองค์แปก็ดีสติปัฏฐานสี่ก็ดีอะไรต่างๆเนาะก็สามารถค้าพ้นสิ่งนี้ไปได้จนกระทั่งว่าไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นค่ะใช่ใช่ค่ะไม่เป็นอะไร ทีนี้บางทีเราก็พูดเล่นๆกันเนาะบางทีเวลานักปฏิบัติธรรมเนี่ยบอกท่านถึงอะไรแล้วยังยังเป็นมนุษย์ยังเป็นคนหรือเปล่าตอบรวดรับตัดความเลยผมไม่เป็นอะไรแล้วยกเว้นผมเออก็ก็ว่ากันไปนะตรงนี้ก็ไม่ได้คือถ้าเราคืออย่าไปยึดอะไรที่มันจริงจังอะไรเนี่ยเนาะก็มันไม่ทุกขหรอกจริงๆนะ หรือว่าถ้ามันทกมันก็ทุกแบบทุกเล่นๆค่ะทุกปลอมๆไปค่ะเอาเพื่อความเพลิดเพลินค่ะเอแต่ที่ทีนี้มันก็ติดฟังได้อีกเนาะอืค่ถ้าถ้าแบบอย่ลืมตัวแล้วก็เขาเรียกว่าความเพลินนันท์ค่ะอค่ะนั่นที่มันต้องต้องมีสติอะหมายความว่าเอถ้าเป็นนักแสดงเอออย่างเป็นนักแสดงเนี่ยเขาเขาแกล้งเพลินเนาะเขาแกล้งเพลินแกล้งอันนี้เขารู้อยู่แก่ใจนะว่า นิสัยเขาเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกแต่ว่าเขาแกล้งซึ่งเขาจะรู้ตัวดีว่าเขาแกล้งเอค่ะ<ฆ>แล้วก็แกล้งเพลินแกล้งเมากินน้ําเปล่าเนี่ยเราก็แกล้งเมาไปเรื่อยเขาจะรู้ตัวดีเป็นอย่างมากเลยว่าชีวิตเขาไม่ใช่อย่างนั้ น, นพอพูดอย่างนี้เสร็จมันก็เข้าเรื่องตัวรู้อีกว่าตัวรู้มันรู้หมดเลยว่าเราแกล้งหรือเราอะไรค่ะ จริงๆ จ, จากหลายๆห้องนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเรื่องศาสนามาแรงค่ะหลวงพ่ อ, อเพราะว่าในแต่ละห้องก็จะมีประเด็นนะคะโดยเฉพาะข่าวตอนทุกวันนี้นะคะแต่ว่าพอดีห้องเราเป็นห้องแบบว่าในทางสายปฏิบัตินะคะแล้วก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องประยัดมากนักเพราะว่าแล้วก็ุกเชื่อว่าทุกคนประยัดเนี่ยศึกษากันได้นะคะในในพระตรีดกหรือว่าออครูบาอาจารย์ยอะไย่างเงี้ยนะคะแต่ว่า ยงเข้ามาเนี่ยหลวงพ่อเมตตาชี้นะคะว่าทำอย่างไรให้เราพัฒนาขึ้นมานะคะอย่างที่เคยหลงมานา น, นะคะก็กลับมาสู่ปัจจุบันนะคะและขณะรู้ตัวขณะปัจจุบันเลยนะคะ mm hmm. ค่ะก็อย่างเมื่อตอนช่วงเช้านะคะก็มีน้องๆสองคนนะคะถือว่าเป็นคนศา ส, สนาก็จริงนะคะแต่จริงๆเราก็ร่วมกันอยู่ได้นะคะโดยการปฏิบัติเนี่ยก็ในทางสายเดียวกันนี่แหละคะ่ะ นะคะน้องๆก็น่ารักม <ce> ากคน้องพ่อมองนะว่าถ้าเข้าถึงศาสนาจริงๆอ่ะมันก็ไม่มีการเบี่ยงแยกอยู่แล้ว<ช>แต่ทีนี้เนื่องจากว่าการเผู้เรียนผู้ศึกษาเนี่ยก็อย่างว่าเนาะแม้กระทั่งพุทธเองเนี่ยสมมติว่าเรามองพุทธเนี่ยทําไมอ่ะทุกคนก็บอกว่านับถือศาสนาพุทธแต่ทําไมยังทะเลาะต้องข้ามกันนะ <enf> ่ะเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเป็นธรรมดาที่ยอยู่เองที่ว่าอสมมติว่าพระศ า, า, สาสดาเนี่ยเป็นเป็นพ่อเนาะเอเป็นพ่อ ต่อพอออกลูกออกหลานเนี่ยลูกหลานเนี่ยไม่ได้เรียนเข้าใจตามที่พ่อสอนหรอกมันเป็นธรรมดามากเพราะฉะนั้นทุกวันเนี้ยที่มีการแบ่งแยกมีการขัดแยงแ้งรวมถึงการฆ่ากันด้วยนะอโอโ้แล้วอย่างนี้จะถือว่าเป็นสิทธิ์ของพระศ า, าสดามันมันไม่น่าจะเป็นไปได้เพื่อแตมไม่อยากพูดมากเรื่องนี้เดี๋ยวกระทบกันค่ะ <c oughs> เลี้ยงได้เลี้ยงค่ะไม่ใช่เราต้องกลับมารู้เรื่องของเรารู้ตัวเองนี่แหละชัดเจนที่สุดคือถ้ากลับมารู้ตัวเองเนี่ยมันไม่มีที่ไป เพราะว่าลองอยู่ดูดิแบบว่าสูงว่าตัวเองเนอะมันมีกายกับอารมณ์หรือว่าจิตเนี่ยต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่นี่เนอะมันอยู่ที่นี่แล้วมันอยู่เดี่ยวเนี้ยถ้ารู้ที่นี่นะถ้ารู้ที่นี่มันก็ไม่ไปที่นู่นถูกไหมเพราะว่าไอ้ตัวไปเนี่ยมันมีตัวเดียวนะตัวไปเนี่ยหมายความว่าถ้ามันรู้อยู่ที่นี่มันก็ไม่ไปที่นู่นแต่ถ้ามันไปที่นู่นมันก็ไม่มารู้ที่นี่แค่นี้เอง ง <laughs> ั้นเมื่อเมื่อมันรู้ตัวเนี่ยเพราะนั้นเขาเขาเรียกว่ามันอยู่บ้านมันอยู่กับเนื้อกับตัวมันก็เลยไม่หาเรื่องที่เป็นความทุกข์ทั้งหลายเข้าใส่ตัวอ่า <c oughs> แต่ทีนี้เราลองสังเกตดู <c oughs> พวกเราเนี่ยคนธรรมดาหรือว่าเป็นเนี่ยเป็นาราวาทั้งหลายหรือเป็นพระเนี่ยถ้าไม่รู้ตัวนี่แสดงว่ามันออกไปทางไหน <c oughs> มันออกไปทางตาทางหูทางจมกูก <c oughs> ทางลิ้นทางกายใช่ไมออกไป พอออกไปเสร็จแล้วมันก็ไปหาเรื่องสิไปเสพเนาะไปเสพ <c oughs> ความสุขความทุกข์ไปสิ่งที่ชอบแล้วก็ไปทบบนะเลาะบ่แหวนสุด <c oughs> ท้ายนู่นไอใจอะ่ะมันเป็นทุกข์เอง <c oughs> <c oughs> แต่ว่าถ้าสํารวมเนาะสํารวมกายวาจาเออคือไม่ออกไปทางตาทางหูทางตาอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่ออกแบบไม่ออกสเปสตะปะคือถ้าพอ <c oughs> รวมสติเนาะอย่างนี้ยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่ทีนี้เราไม่เป็นอย่างนั้นดิมันออกทางตาหมดเลยอะ่ะตาหูจมูกลิ้นกายหมดเลย เพราะนั้นวิธีกลับมาก็คือนนมีสติแล้วก็สำรวมเขาบอกว่าสำรวมสำรวมอินทรีย์อ่าแล้วก็ให้มารู้ที่ใจเสให้มารู้ที่ใจก็คือว่าเพราะทุกอย่างเนาะมันรวมลงที่ใจอะ่ะก็เรียกว่ารวมลงที่ใจถ้ามีสติรู้ที่ใจเนี่ยตรงนี้ถ้าใครทําเป็นนะมันเขาเรียกว่าเข้าทางลัดเลยเพราะว่าในใจเนี่ยมันมีหมดอะนาลกสวรรค์พวกนิพพานพวกเดรัจฉานพวกเปรตพวกผีนี่มันอยู่ในใจหมดเลย เพราะนั้นถ้ารู้ที่ใจก็สามารถเห็นได้หมดทั่วอะครบทุกอย่างเลยอแล้วก็เมื่อรู้ด้วยใจแล้วตาใจเนี่ยเหมือนกับว่ามีตาเนาะมีตาใจพออะไรเกิดปับ๊บแหมเห็นแล้วพออะไรเกิดปั๊บเนี่เห็นแล้วเนี้ยก็แค่เห็นแค่เนี้ไอ้พวกนั้นมันก็ไม่มีฤทธิ์ที่จะมาทําร้ายใจได้เลยเพราะใจมันเห็นอยู่ใจที่มีสติอนะเห็นอยู่ี้ยค่ะเหมือนกับอะไรนะมีครูบาอาจารย์ท่านอุปมาว่าขโมยเนี่ยมันกลัวการเอ่อ กลัวการถูกมองเห็นกลัวคนที่เห็นมัน่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างขโมยเข้าบ้านเนี่ยมันเข้ามาตอนไหนต้องเข้ามาตอนที่คนไม่เห็นแต่ถ้ามันรู้ว่ามีคนเห็นนะคนดูนะไม่กล้าหรอกเพราะนั้นใจก็เหมือนอะไรตาใจเนี่ยถ้ามันตื่นรู้อยู่เวลากิเลสตัณหาจรมาเนี่ยใจก็เห็นแล้วไอ้พวกนั้นก็ทําอะไรไม่ได้และสุดท้ายหายจ้อยเลยวันนี้มันชื่อเรื่องอะไรนะไม่เป็นอะไรนะอืมค่ะบอกว่าวันนี้คือไม่เป็นอะไรค่ะไม่เป็นอะไรคือ คือสภาวธรรมเนี่ยมันเป็นตามที่มันเป็นแหละเช่นสุขบ้างทุกบ้างเนาะสบายบ้างไม่สบายบ้างป่วยบ้างไม่ป่วยบ้างเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นสภาวธรรมที่ที่เกิดนะที่เกิดที่ปรากฏแล้วก็ดับไปนะแต่ความไม่เป็นอะไรก็หมายความว่าไม่เป็นไปตามไม่เป็นไม่เป็นสิ่งเดียวกับไอสิ่งที่เกิดนั้นแหละไอ<ม>สิ่งที่เกิดมันก็เกิดเกิดเกิดดับดับของมันเนาะให้เหมือนกับภาษาพูดก็เรียกว่าให้มันเกิดดับแบบเกอเกอรไป แต่ไม่มีผู้ใดไปยึดถืออาการนั้นมาเป็นของตนนะไม่มีผู้ใดไปยึดสิ่งที่เกิดที่ปรากฏนั้นมาเป็นของตนอย่างเนี้ยเรียกว่าไม่ไม่เป็นอะไรเพราะว่าถ้ายึดสิ่งใดมันก็เป็นกับสิ่งนั้นเนอะทีนี้เมื่อเรารู้จักแล้วเช่นเนี้ยอย่างโยมเทียนเนี่ยป่วยเนี่ยก็เป็นสภาวธรรมที่กาลังปรากฏที่มีอยู่นะป่วยมันก็ป่วยของมันมันเป็นสภาวธรรม แต่เดิมไม่ป่วยแล้วก็อนนี้ป่วยนี่แสดงว่าเกิดแล้วแล้วก็ยังอยู่แล้วก็มันไม่เที่ยงมันก็ต้องดับไปช่วงใดช่วงหนึ่งเช่นตอนหลับอ่ามันก็อาจจะไม่รู้แล้วตอนที่คุยเพลินเอ้ามันก็หายป่วยเพราะมันมันระลึกมันมันลืมไปนะอืมเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งพวกนั้นแหละมันก็เป็นของมันเช่นนั้นแต่ไม่มีผู้ใดไปยึดถือถ้าไม่มีผู้ใดไปยึดถือเท่ากับว่านี่แหละคือไม่เป็นอะไรค่ะฟังเข้าใจง่ายมากเลย แล้วก็เมื่อเข้าใจแล้วทำไงอะ่ะเพื่อที่จะไม่เป็นอะไร <c oughs> ก็รู้เท่เ<อ>าทันมันมีแต่ก็รู้เท่าทันแล้วก็เป็นรู้ไงให้เป็นรู้เสียเอเ อ, เอให้เป็นรู้เสียคือรู้แล้วแต่ก็ไม่ยึดถือเพราะฉะนั้นรู้เนี่ยมันก็เป็นรู้ซึ่งรู้มันก็ไม่เป็นอะไรอยู่แล้วตามที่เคยอธิบายมาก่อนว่ารู้เนี่ยมันได้แต่รู้มันไม่ปรากฏตัวตนอะไรเลยมันก็เลยเ<อ>ไม่เป็นอะไร <c oughs> ก็เหมือนมันเป็นธรรมดานะคะอย่างเช่นเราวิ่งไปแล้วก็หกล้มเนี่ยเราก็มีแผล ส, สมมติมีแผลที่หวเข่านะคะเรารู้ว่าเป็นแผลก็แค่นั้นเองค่ะเราก็ให้มันแห้งไปตกสักท่าที่เราก็รู้ค่ะแต่เราก็ไม่ได้เป็นอะไรกับมันคล้า้มัน เ, ออเป็นแผล แ, <c oughs> แต่ไม่แผลไม่เป็นเรา่แค่นั้นแหละ <c oughs> ใช่ก็ธรรมดานะคะ <c oughs> <c oughs> ธรรมดา <c oughs> นี่แเรื่องนี้เลยถึงว่ามันสติปัญฐานเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วนนะคะาเรียกว่าเร่งด่วนที่ต้องฝึกเพื่อ จะได้ใช้งานทันก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงมากกว่านี้แต่ถ้าไม่ฝึกเลยนะถึงตอนนั้นเนี่ยมันหาทางออกไม่ได้แล้วมันก็จะจะดิ้นนะเขาเรียกว่าดิ้นนะดิ้นเท่าไหร่ก็ไม่หลุดเพราะว่ามันหาทางออกไม่ได้หลวงพ่อเทียนนะเคยเคยยกตัวอย่างนะเป็นภาพวิดีโอด้วยเนาะท่านพูดถึงกรณีที่ออกจากทุกข์ไม่ได้อ่ท่านก็เข้าไปอยู่เหมือนกับว่าไปอยู่ในห้องเนาะแล้วท่็ ท่านหาทางออกไม่เจอไม่รู้ประตูอยู่ไหนท่านก็ทําเป็นคลิปเนาะท่านก็นกนกนกเอามือลูปไปตามผนังนั้นรูปรูปรูปไม่หาประตูไม่เจอทักทีลูปอยู่เนี่ยนะรูปรสุดท้ายก็คือท่านกําลังแสดงว่าเนี่ยกรณีที่มันมันเป็นทุกข์แล้วก็ออกจากทุกข์ไม่ได้ก็คลําง ม, มหาอย่างเนี้ยนะออกไม่ได้ <allocate. S 1> แต่ถ้าผู้มีปัญญานะมันเห็นประตูทางออกไง <tryna. S 1> นะเห็นประตูทางออกอา้าวประตูอยู่นี่ทางออกก็ออกแบบง่ายได้ท่านรู้ประมาดีเอ เรื่องพวกเราก็อยจะประมาทนะไอเรื่องฝึกสติแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องฝึกสติเนาะที่ที่คุยกันเนี่ยเรื่องรู้ตัวให้เป็นเนี่ยคือตอนที่ฝึกให้รู้ตัวให้เป็นเนี่ยโอเคต้องต้องฝึกเพื่อเพื่อเหมือนกับว่าให้มันเข้าใจแล้วก็รู้ถึงใจว่าเนี่ยแบบเนี้รู้สึกตัวเป็นทีนี้เมื่อศึกรู้สึกตัวเป็นแล้วเนี่ยมันไม่ต้องฝึกหรอกเพราะว่ามันเป็นแล้วไงเออเพราะฉะนั้นมันจะยากไปตรงตอนที่ฝึกให้รู้ตัวเป็นเนี่ย ที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาคือถ้ารู้ตัวไม่เป็นนะมันเป็นเรารู้แต่ถ้ารู้ตัวเป็นเนี่ยมันไม่ใช่เรารู้หรอกออรู้เราไปเรียบร้อยแนะ้่ะเออมันเป็นตรงเป็นอย่างนั้นไปอ่ะเพราะนั้นหลายคนที่คุยเนี่ยเขาบอกว่าเนีย่ยก็ยังรู้สึกว่าเรารู้อยู่เนี่ยแล้วจะทำยังไงให้รู้เราก็หลวงพ่อก็ยกตัวอย่างมาตั้งหลายเรื่องแล้วเนะาะก็ยังรู้เราไม่เป็นนะดูเตยมมั น, ม, นมันยากค่ะ เออเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้หลวงพ่อได้มีตัวอย่างอีกอันนึงนึกออกนึกออกเพราะว่าตอนก่อนไปทําวัดเนาะหลวงพ่อเดินอยู่แล้วก็มันนึกถึงมันนึกถึงแบบนี้มันนึกถึงว่าสมมตินะสมมุติว่าเป็นเป็นตึกแถวก็ได้เนาะหรือว่าเป็นโรงแรมก็ได้เนาะเออมันเป็นห้องห้องอ่ะทีนี้ห้องติดกันใช่ไหมสมมติว่าห้องโนู้นมีคนอยู่นะห้องตองนี้เราเราอยู่นะแต่มันเห็นด้วยตามาก่อนไงเห็นด้วยตาว่า ห้องติดกันน่ะก็มีคนอยู่แล้วห้องเราก็คือเราอยู่นะทีนี้หลวงพ่อก็นึกถึงเรื่องการเห็นนะเรื่องการเห็นเนี่ยว่าทําไมอ่ะเออ ว, ว่าการเห็นเนี่ยไอตอนที่ไอตอนที่เออ่เขาอยู่นอกห้องใช่ไหมแล้วเราก็ไปเห็นเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นด้วยตาเออแต่พอเข้าห้องอะ่ะ <laughs> คนที่อยู่ห้องติดกันเขาเข้าห้องแล้วเราเข้าห้องแล้วทําไมเรายังเห็นเขาได้อยู่อะ่ะ เนี่ยทาไมยังเห็นเขาได้อยู่อ่ะแล้วก็เห็นตัวเองด้วยนะว่าไอ้ตัวเองก็อยู่ห้องนี้ไอ้ตัวเขาก็อยู่ห้องโน้นแต่ทําไมมันเห็นกันได้อ่ะหลวงพ่อก็เลยตั้งโจทย์ว่าไอ้เนี่ยลองพิจารณาดูที่ว่าเราเห็นหรือว่าอะไรเห็นกันแน่ถ้าเราเห็นเนี่ยโอเคไอ้ตอนที่ตาเห็นอะอันนั้นยังพออนุโลมได้เนาะว่าเราเห็นนะแต่ตอนที่อยู่คนละห้องอ่ะมันไม่ได้เห็นด้วยตาแต่ยังเห็นเขาอยู่อะอันเนี้ยจะเรียกว่าเราเห็นได้หรือเปล่า ถ้าเราไม่เห็นแต่การเห็นมีจริงนะ่นะแต่เราไม่ได้เห็นด้วยตาแล้วอย่างนี้จะเรียกว่าใครเห็นแล้วรวมถึงไอ้ที่เห็นตัวเองด้ว ย, ยที่อยู่ในห้องคนเดียวตรงนี้ลหลวงพ่อก็เลยมาคิดเอเอาเรื่องนี้มาพูดแล้วให้โยมค่อยๆโยนโะนิสโสมนัสิการดูที่ว่าไอ้คำว่าเห็นตัวเราเนี่ยหรือเห็นคนอื่นก็ตามเนี่ยเราเห็นหรือว่าอะไรเห็นกันแน่ วันนี้อหัวข้อของหลวงพ่อคือไม่เป็นอะไรนะคะแต่ว่าไม่สักพูดเนี่ยพูดถึงเรื่องการเห็นนะคะอะคะ่าซึ่งเมื่อกี้หลวงพ่อว่าจะตั้งชื่อเห็นแต่ไม่ใช่เราเห็นแล้วนนเน<ร>ี่ยค่ะพิธี ก, กรครับหลวงพ่อครับอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีเมื่อกี้ฟังหลวงพ่อพูดเรื่องไอเรารู้กับรู้เราอะไรอย่างเงี้ยครัทีนี้ก็เลยก็ว่ามาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวที่ไปฝึกมาครับผมคือก็ คิดว่าเจอทั้งสองแบบอะฮะแบบรู้จริงกับกับรู้หลอกอะฮะทีนี้ในความเข้าใจของผมเนี่ยอยากจแชร์ในส่วนที่ว่าถ้ารู้จริงเนี่ยมันมันเจริญปัญญาต่อไปได้มันเห็นสังขารเกิดดับอะไรอย่างเงี้ยมีสติอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ารู้หลอกเนี่ยมันมันก็ยังมึนอยู่อย่างนั้นนะฮะไอ้นี่นนนในส่วนที่ผมเจอะฮะครับ mm. นั่นแะครับก็ฝากหลวงพ่อชี้แนะต่อได้ครับผมงั้นก็ขยายนิดหนึ่งว่า ไปไปยังไงมาถึงได้รู้จริงรู้หลอกไปไปยังไงมาเออไปทําอะไรมาแล้วยังไงถึงได้เข้าใจว่ารู้จริงรู้หลอกเอก็ออตอนแรกเข้ามาในในห้องของหลวงพ่อเนี่ยสัปดาห์ก่อนนะฮะมาเจอตอนแรกหลวงพ่อก็สอนเลยให้ให้รู้ตัวเราก่อนนะฮะนี่ตอนนั้นก็ได้กัิยาณมิตรหลายๆคนเนี่ยก็พยายามแบบว่าแบบเหมือนแบบเหมือนให้เรารู้ปัจจุบันอะไรเงี้ยมันเหมือนเตือนตัวเราให้ ให้เห็นว่าตัวเราแบบมีจริงๆ่ะฮะแล้วพอเราถ้าเราเห็นจริงๆอ่ะมันจะเห็นว่าแบบมันเป็นแบบเหมือนเหมือนกาใจอย่างเงี้ยครับผมคืออธิบายยังไงดีอ่ะคือมันก็เขาเรียกอะไรอ่ะมันมันจะมีความผ่อนคลายเวลาเราเราเห็นสิ่งพวกเนี้ยมันจะแบบมันมันไม่อึดอัดนะครับผมคือผมจะพูดยังไงดีอเหมือนมันเหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนเราเห็นคนลุมสกรรมกันอย่างเงี้ย ตอนที่เราไม่รู้ตัวเองไม่เห็นตัวเองเราก็มุนไปเข้าไปลุ่มสกรรม ข, ของเขาด้วยแต่พอเรามีสติอย่างเงี้ยเราถอยมาเนี่ยเราเห็นตัวเราอยู่ข้างนอกด้วยแล้วก็เห็นไอ้พวกนั้นกําลังต่อยตีกันอยู่ด้วยอย่างเง้ย น, นะครับหลวงพอ่อทีนี้เราก็พ <c oughs> ิาาจารณาแต่ละอย่างที่เราที่เราเจอคือผมจะเน้นที่ที่ตัวผมอย่างผมออกมาจากจากวงที่เขาเขาลุ่มสกรรมอย่างเงี้ยผมก็จะเห็นตัวเองอยู่เนี่ยเวลาอะไรเกิดขึ้นตัวเราอย่างเงี้ยมันก็จะพิจารณาทําต่อไปได้ไอ้นี่ประสบการณ์ที่ผมเจอนะครับ โอถูกต้องแล้วถูกถูกคือคือเห็นถูกนะในปัจจุบันนั้นน่ะนะเพราะว่าการการเห็นเราหรือว่ารู้เราเนี่ยมันมีแค่เฉพาะปัจจุบันเท่านั้นแหละครับเพราะว่าถ้าพอเป็นอดีตไปแล้วกลายเป็นว่าเราไปเห็นมันอีกแล้วเอย่างอย่างที่เล่าอะนะอย่างที่เล่าเนี่ยเท่ากับว่าเราไปรู้มันอีกแล้วแต่ถ้าปัจจุบันมันรู้เราว่าเราเนี่ยเนี่ยเเราอยู่เรากําลังอยู่ตรงเนี้ยเออใช่กําลังม คุยอยู่กําลังคิดอะไรอยู่เงี้ย<อ>ก็เห็นภาพของตัวเองครับผมเออถูกต้องถูกต้อง <c oughs> ก็พัฒนาเนาะให้ให้แจมแจ้งแจมแจ้งก็คือเนี่ยก็พัฒนาตามวิธีการที่ที่ที่ทํามานี่แหละแล้วก็จะแจมแจ้งยิ่งแจ้งมากเท่าไหร่มันยิ่งพ้นทุกเด็ดขาดไปเลยเพราะว่ามันไม่หลงเข้ามาเป็นแล้วมันได้แต่เห็นหมายถึงว่าเห็นเราอะนะหรือว่ารู้เราแต่มันไม่เป็นเราเพราะว่ามันเป็นคนและสภาวะกันนะเห็นก็เป็นเป็นเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏตัว แต่ตัวเราเป็นธรรมชาติที่ปรากฏให้ถูกเห็นได้มันก็เลยเห็นเราอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็มันก็สักแต่เห็นคือมันเป็นเราไม่ได้เพราะว่ามันรู้จักแล้วนี่ว่ามันคนละตัวกันคมันเหมือนกับมันรู้จักอย่างดีเลยแหละว่ามันคนละตัวกับตัวเราแล้วตัวเราเนี่ยมันก็รู้จักอีกว่าไอ้ตัวเราเนี่ยคือตัวตายตัวที่อยู่ภายใต้กฎของความไม่เที่ยงอันนี้จังทุกขังอนัตตาอย่างเนี้ยมันก็เลยวิมุตต์หลุดพ้นไปพ้นทุกไป ครับโอ้นิดน้ายอมยอมทั้งหลายเออขอบคุณหลวงพ่อก็โดยเฉพาะคุณคุณหนุ่มนี้ด้วยแนวแนวขึ้นมาแล้วขอขอแชร์อีกสักนิดนึงเลยกันนะคือตอนแรกอะที่แบบในเรื่องของที่แบบรู้ตัวเราอะตอนแรกคือไม่เห็นจริงๆอะนะมันมีเหตุการณ์หนึ่งอันนี้ขออนุญาตคุณหนู่มนี้เล่าเลยนะฮะเล่เลยค่ะตอนนั้นมันจะไปอยู่วันหนึ่งที่แบบมันจะมีสปีกเกอร์ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็พูดจาแบบมันทําให้รู้สึกว่าแบบตอนนั้นผมผมมีอารมณ์ไง ก็เลยหลังม่ไปหาคุณหนุ่ยนุยว่าเนี่ยคือผมก็ก็เขาเรียกอะไรเอามาพาะพร้าวห้าไปขายสวนนะไปบอกว่าเนี่ยคือแบบเนี่ยตอนเนี่ยสังขารผมเนี่ยหน้าตาเบี้ยวอย่างนี้เลยนะส่งสติ๊กเกอร์ไปคุณนุ่ย้ยพักกลําคนึงว่าแบบคือแบบให้เห็นตัวผู้ฟังด้วยอ่ะเนี่ยขอไม่ให้หลวงพ่อผมก็เอาตายแล้ตอนนั้นหลงไปเลยแล้วแบบว่าไม่เห็นเลยว่าตัวเนี่ยอยู่ที่บ้านแล้วอะไรอย่างเนี้ยครับมันก็เลยแบบให้เห็นแบบทั่วๆ ว, ว่าเออเนี่ยไอตัวเราเนี่ย ที่มันเป็นเป็นทุกข์เนี่ยเพราะเราไปประกอบสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันนะฮะพอหลังๆเนี่ยพอเริ่มมีสติเห็นกายที่เห็นใจที่มันก็มันก็แยกเป็นส่วนๆไปคือไอตอนสติดีๆนะฮะแต่ถามว่าแบบมันก็ไม่ได้ทําได้ตลอดหรอกอย่างเสาวทิที่ผ่านมาอย่างเงี้ยก็ก็มีเปไปบ้างอารมณ์กดโกรธเงี้ยแต่ก็ก็ยังแก้ไม่ได้แต่ก็ช่างมันก็ถือว่าคิดถึงคำหลวงพ่อตลอดว่าถ้าเกิดจะฝึกก็ต้องฝึกปัจจุบันที่มันสดใหม่อะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆผมก็ ก, ก็ทำคำหลวงพ่อไว้ตลอดนะครับ อืมค่ะสารทุกค่ะจริงๆแล้วดีแล้วค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีเผลอมีอะไรเป็นปกติค่ะเพราะว่าเราต้องใช้ชีวิตประจำวันนะคะมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วแต่เราก็กลับมาค่ะแค่นั้นเองง่ายๆครับทำบ่อยๆจนชินค่ะก็อี่นิดนึงท้ายสุดนี้ก็ผมก็ชอบนะเวลาหลวงพ่อกับคุณกิจเนี่ยชอบแบบกระตุกแบบคนที่ขึ้นมาถามอะไรเงี้ยที่ถามเกี่ยวกับเกี่ยกับอดีตอะไรเงี้ยนั่นแหละผมก็ไม่เข้าใจนะเขาถามอย่างหนึ่งหลวงพ่อกับกับคุณกิตก็ไป ไปสะ ก, กิดเขาอย่างหนึง่งจนตอนหลังผมก็เข้าใจว่าผมอยากให้รู้สภาวะปัจจุบันว่าคุ ณ, ค, ณคุณต้องอยู่กับปัจจุบันคุณต้องรู้ว่าแบบว่าฐานกายคุณอยู่ไหนฐานใจคุณคิดอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับผมช่ค่ะจุ๊บค่ะครั บ, รบมันมีอวันนี้ก็มีโยมอยู่คนนึงเนาะที่โยมหนูโยมหนูรู้ก็คงรู้จักดีนะค่ะโยมแกก็เล่าเรื่องสภาวะธรรมเนาะที่ไปปฏิบัติธรรมมาโอเคแหละได้สภาวะได้เห็นเนาะ แล้วก็โยมก็ก็เล่าไปเรื่อยแล้วตอนปิดท้ายเนี่ยหลวงพ่อก็ชี้ว่ามันยังมีตัวเราเป็นผู้เป็นผู้อะไรนะมีตัวเราเป็นผู้ผู้เข้าใจหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเออแล้วโยมเก็ดเลยอ่ะสว่างสวัยเลยอ่ะเนี่ยคือผู้มีปัญญานะพอเราจี้นิดเดียวแค่นั้นแหละคือแบบเห็นตัวเองจังๆเลยว่าเมื่อกี้เนี่ยมันหลงจริงๆหลงไปว่าเราเข้าใจ ผีประทาใช่ไหมใช่ตื่นแบบ <c oughs> แบบเแบบิก บ, บานมากเลยอ่ะเห็นเลยค่ะทีนี้ถ้าคนไม่เห็นนะเขาจะเคืองเคืองผู้ตักเตือนผู้ชี้ขุมทรัพย์เขาจะเคืองเลยเหมือนกับว่า <laughs> ไปขัดจังหวะเขาว่าเขารูาา้อยู่ดีๆแล้วําหาว่าทําไมเราเป็นผู้รู้แบบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นเนี่ยเยมันเป็นนี้แหละมันต่างกันนะคนที่ไม่เห็นเนี่ยเขาจะโกรธเขาจะไม่พอใจแต่ถ้าผู้เห็นปั๊บเนี่ยจิตใจเขาจะเบิกบานแล้วก็น้ำหนักลดไปเลยคือเบาอยู่เลยเลยโลมโลม แล้วพยาพาก็อินด็อกมาค่ะว่าเออพยาพาก็ปฏิบัติแล้วก็ไปวัดป่าสุขะโตเนี่ยค่ะหลวงพ่อค่ะ <c oughs> <c oughs> แ, แล้วสภาวะอย่างเนี้ยต่อไปเนี่ยมันจะจําได้แหละจํา <c oughs> ได้ <c oughs> เช่นเวลาเล่าอะไรเพลินๆเนาะก็จะลึกระ ล, ลึกนึกถึงตัวเองได้ว่าเอาตัวเองเป็นผู้เล่าอีกแล้วเนี่ยถ้าเกับว่ารู้ตัวเองเนาะแต่ก็ต้องเล่าต่อไปนะั่นแหละแต่ก็เห็นแล้วว่าอ๋อตัวเองที่เล่าก็เป็นสังขารแล้วก็เล่าไปตามความรู้ธรรมอะไรเนี่ยแล้วก็มันจะเกิดบ่อยๆ หรือว่าถ้ามันลืมมีคนสะ ก, กิดนิดนึงบอกว่าอ่ามีเราเป็นผู้รู้อีกแล้วแค่เนี้ยก็หลุดจากความเป็นเราอีกแล้วใ ช, ใช่ใช่ครับยี่งฟังธรรมะหลวงพ่อบ่อยๆก็เนี่ยก็ก็ได้เป็นการมีคนมาสะ ก, กิดโดยอัตโนมัตินะครับผมครับอคบขอบคุณครับมันมันมีอยู่อยู่วันหนึ่งนะหลวงพ่อตอนนั้นน่ยังไม่ได้ตั้งห้องแบบนี้หลวงพ่อก็ยังเป็นโคจรนะเนาะเพราะว่ากําลังศึกษาว่าไอ้ข่าวเขาเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็เข้าไปแล้วมันเห็นอะไรยังไง แล้วบังเอิญเข้าอยู่ห้องหนึ่งก็มีคนก็นิมนต์ให้พูดอ่ะนะหลวงพ่อก็พูดไปแล้วก็พอตอนหลังหลวงพ่อไปออกความเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งบอกว่าเนี่ยส่วนมากก็ยังเป็นเรารู้เนาะแต่ยังไม่รู้เราทีนี้ก็เขาก็มองอย่างว่าเราก็ไม่โทษเขาแล้วนะเพราะเขาก็รู้สึกว่าเขาจะคุยเรื่องโน้นแต่หลวงพ่อมาคุยเรื่องนี้มันคุยคนละเรื่องไงเขาก็ก็อาจจะเคืองในใจอ่เนาะแต่เราก็เข้าใจได้เพราะว่าโอเคแหละบางทีเราก็อาจจะเข้าห้องแล้วก็ เขาคุยเรื่องนู้นแต่เราคุยเรื่องนี้มันคนละเรื่องถูกต้องแล้วแต่ <c oughs> หารู้ไม่ว่าไอการคุยแบบเนี้ที่ไปไป ส, ก, ก, ไปส ก, กิดไปสกัดนั่นแหละเขาเรียกว่าไปชี้ขุมทรัพย์ให้เขาเพื่อที่จะปล่อยวางความที่ว่าความเป็นอัตตาตัวตนเนี่ยแต่เข้าใจยากในเรื่องที่หลวงพ่อพูดเพราะนั้นหลวงพ่อเลยตั้งอ้อมของเราดีกว่าใครเข้ามาก็มาฟังหลวงพ่อเนาะ <c oughs> แต่หลวงพ่อไม่ไปยุ่งกับใครไอ <c oughs> <c oughs> ใครอยากเห็นก็เข้ามาค่ะถ้าใครมากเห็นก็ไม่เป็นไร ใ่ใช่ค่ะค่ะขอบคุณนะคะสหนิงค่ะค่ะเดินเชิญนะคะค่ะหลวงหลวงพ่อเคยเปรียบเทียบอย่างนี้นะแต่ยอมว่าคงเข้าใจได้หลวงพ่อเคยเปรียบเทียบว่าเวลาเราเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะมันจะมีเออก็เรียกว่าแต่ละแขนงวิชาเนาะหรือว่าเป็นเป็นแผนกวิชาเนี่ยเช่นพวกสังคมคณิตศาสตร์สุขศึกษาวิทยาศาสตร์อะไรเนี่ยพวกเนี้ยครูสอนก็ ถ้าครูเขามีเพียงพอนะเขายัางแบ่งกันสอนเลยว่าเออคนไหนจะสอนวิชาไหนนะแต่ <semester. S 2> ทีนี้เพรนาะนั้นนักเรียนเนี่ยมีหน้าที่ต้องฟังตามวิชาที่ครูสอนเช่นถ้าครูสอนเลขก็ต้องคุยเรื่องเลขเนาะถ้าครูสอนเรื่องคณิตวิทยาศาสตร์ก็ต้องคุยไปแนววิทยาศาสตร์หรือว่าถ้าสอนเรื่องสุขสุขศึกษาก็ต้องคุยในเรื่องสุขศึกษาจะเอาเรื่องเลขมาถามในในวิชาสุขศึกษาเนี่ยมันไม่ถูกไง นี้หลวงพ่อก็มองว่าเออเนอะหลวงพ่อนี่สอนมันสอนขั้นปฏิบัตินี่สอนชี้กันนี่เราไม่ได้สอนเรื่องภาคปริยัติเพราะนั้นเนี่ยโยมก็ต้องแยกให้ออกนะว่าทําไมหลวงพ่อพูดแต่เรื่องนี้อ่ะก็หลวงพ่อต้องการถนัดวิชานี้ไงก็เลยคุยแต่เรื่องนี้ส่วนวิชาอื่นนะเช่นวิชาให้ทานโยมก็ต้องไปเรียนกับคนที่เขาสอนเรื่องทานนะวิชาเรื่องศีลนะโยมก็ต้องเข้าห้องเรื่องศีลวิชาเรื่องทำสมาธิโยมก็เข้าห้องสมาธิ วิชาที่ทำให้เกิดปัญญานี่ต้องมาห้องนี้อะไรเงี้ยก็เลือกเอาจะได้ไม่ยนไม่สับสนชีวิต <laughs>